ก็รู้สึกเหมือนเจอหลุมดำโดนหลุมดาดูดพลังชีวิตด้านดีแบบพวบหา้าบใครมันจะไม่อยากหนีล่ะใครทำให้คุณรู้สึกแย่สมองคุณจำทันทีว่าเขาเป็นคนไม่ดีจิตหดหูครองเวลาในชีวิตคุณนานขึ้นเท่าไหร่อาราทางความรักก็หายไปนานขึ้นเท่านั้นเหมือนกุหลาบเหี่ยว ที่ไม่มีใครอยากเอาในทางตรงข้ามจิตสดชื่นยิ่งเกิดขึ้นนานออร่าทางความรักก็จะยิ่งเบ่งบานขึ้นทุกทีถึงแม้ทำตัวครึ่งดีครึ่งร้ายแต่ชอบสนุกชอบคึกคักชอบยิ้มแย้มชอบพูดแต่เรื่องน่าสบายใจก็เกิดออร่าพลังแม่เหล็กได้ตามกติกาอันยุติธรรมทางธรรมชาติของจิต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 ต่อให้หลงตัวแค่ไหนก็กำใจคู่คนได้มากอยู่ดีอยู่ในจอกแกล้งทำดีก็มีคนเชื่อกันทั้งประเทศอยู่นอกจอถึงร้ายกาจบ้างก็ไม่มีคนเกลียดมากนักจึงสนุกกับการเป็นโรคแกล้งดีซ่อนร้ายจริงกันไปดูจากคนธรรมดาดูจากดาราดังเมื่อเข้าใจหลักความยุติธรรมทางธรรมชาติ คุณจะจับจุดถูกเลิกถามคนอื่นว่าทำไมฉันแสนดีถึงไม่มีคนรักทำไมหมอนั่นหรือใยเนี่ยแสนร้ายกลับมีแต่คนชอบลอบเปลี่ยนมาถามตัวเองใหม่ว่าฉันมีจิตหดหู่หรือจิตสดชื่นมากกว่ากันจิตแบบฉันสมควรเป็นที่รักหรือถูกเหมือนถ้าตอบตัวเองถูกว่า มีจิตหดหูบ่อยกว่าจิตสดชื่นก็ต้องฝึกสู้กับจิตหดหูกันหน่อยอา จ, จเริ่มจากตกแต่งสภาพรอบตัวให้หน้าอยู่ขึ้นแต่งเนื้อแต่งตัวให้สดใหม่บ้างตลอดจนเว้นวักการก้มมองมือถือเงอยหน้าขึ้นมองนกมองไม้บ้างและที่สุดของการได้ความสดชื่นไว้เป็นสมบัติคือการรู้วิธีหายใจให้ยาวขึ้นและช้าลง อีกทั้งรู้ว่าแม้ลมหายใจยาวๆช้าๆดีๆนั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ตลอดเวลาเมื่อสังเกตเห็นความไม่เที่ยงของลมหายใจแห่งความสดชื่นอยู่เรื่อยๆจิตย่อมถอนจากอารมณ์ยึดมั่นหวงแหนถอนจากความรู้สึกไม่ได้อย่างใจถอนจากความคิดน้อยเนื้อต่าใจถอนกันวันต่อ ว, วันทีละนิดทีละน้อย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 จิตใจยิ่งดีเมื่อจะต้องเลือกคู่แต่ละคนมักอยากเลือกคนที่ครบแล้วรู้สึกว่าเส้นทางกรรมของตนจะไม่ต้องเปลี่ยนมากนักยิ่งเป็นตัวตนเดิมหรือใกล้เคียงตัวตนเดิมมากเท่าไหร่ยิ่งดีอย่างที่เรียกว่าจะได้เป็นตัวของตัวเองนั่นแหละท้าว่าในความเป็นจริง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 เป็นสิ่งน่าปรารถนาน่าติดใจกว่าความสวยงามทางกายมากนักอย่าใช้เวลาที่ควรเอาไว้ทำความเข้าใจตัวเองไปใช้หมกมุ่นกุ่นคิด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 และเมื่อเขานึกมันไส้อยู่ก็ต้องมีอัคติไปกว่าครึ่งพอมีเรื่องให้เข้าใจผิดหรือไม่เข้าใจกันคุณจะไปพูดขอความเห็นใจไม่ได้แบบนี้ถ้าจะทำให้มองคุณดีๆการพูดจาอาธิบายหรือแสดงข้อเท็จจริงยังไม่พอคุณจำเป็นต้องเจือจางหรือละลายความมันไส้ด้วยการผูกมิตร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 หรือโคตรเลวเท่านั้นพวกที่สองรักคุณเมื่อรักกันก็ย่อมมีอคติในแบบลำเอียงเข้าข้างคุณถึงพูดขอความเห็นใจได้ง่ายๆหรือกระทั่งขอร้องให้แกล้งหรีตาข้างหนึ่งเพื่อเห็นแต่สีขาวที่ระบายอยู่บนตัวคุณได้สบายสบาย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 ถ้าอยู่คนเดียวแล้วเย็นคนเราจะอยากอยู่คนเดียวแต่นี่อยู่คนเดียวเล้าหนาวคนเราเลยอยากได้คู่ที่อบอุ่นถ้าอยู่คนเดียวแล้วอุ่นใจคนเราจะอยากอยู่คนเดียวแต่นี่อยู่คนเดียวเล้าร้อนใจคนเราเลยอยากได้คู่มาดับร้อนเมื่อหาคู่ไม่ได้หรือหาได้ แต่ยิ่งรู้สึกหนาวตัวอีกทีหาได้กลับยิ่งรู้สึกร้อนใจก็เท่ากับยิ่งตอกย้าซ้าเติมตนว่าเราคงไม่มีคู่จริงๆและเฝ้ามองคนที่มีคู่ว่าโชคดีจังหรือกระทั่งน่าอิจฉาเละเกินเมื่อเทียบเขาเทียบเราเห็นตนเองโชคร้ายเห็นตนเองอับว่าาสนา จึงมีการตราหน้าตนเองว่าอาภัพรักคือเป็นผู้ประศจากโชคทางความรักทางออกของคนโชคไม่ดีคือพยายามเห็นว่าตนเองโชคดีอย่างไรหรือไม่ก็มองว่าคนอื่นโชคร้ายท่าไหนเพื่อให้เกิดการเทียบเขาเทียบเราที่ได้ดุลบ้างหลักๆที่เป็นคำปลอบใจสำเร็จรูป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 ลมหายใจนี้กดดันมากอีกลมหายใจกดดันน้อยอีกลมหายใจโปร่งโลง่งเป็นอิสระจากการครอบใดๆยิ่งเห็นเหงายิ่งหายเหงายิ่งหายเหงายิ่งเห็นความไร้สาระของการเทียบเขาเทียบเรารู้แก่ใจว่าจะอยู่คนเดียวหรืออยู่เป็นคู่ถ้าไม่เหงาก็สุขได้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 เดี๋ยวก็วนกลับไปรอคอยความรักที่ไม่มีตัวตนอีกตอนเมื่อทำตัวเป็นที่รักเป็นคนน่าให้รักน่าให้อยู่ด้วยการรอคอยจะน้อยลงหรือไม่เหลือเลยกระแม้ไม่มีความรักเข้ามาก็พร้อมเสมอที่จะเจือจานพร้อมเสมอที่จะแผ่เมตตากรุณาออกไป และถึงแม้ต้องทนอยู่กับใครก็มีสิทธิละลายพฤติกรรมน่าอึดอัดของเขาได้คนที่รู้จักทำตัวเป็นที่รักจึงเป็นพวกอยู่กับความรักที่มีตัวตนส่วนคนที่เอาแต่ยากได้ความรักก็ต้องเป็นพวกรอคอยความรักที่ไม่มีตัวตนกันต่อไป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 ที่ชอบพูดกันว่าคนทำบาปด้วยกันยังได้ดีมีสุขอยู่ด้วยกันให้เห็นอันนั้นคือยังเห็นไม่นานพอหรือไม่รู้ว่าสถานการณ์จริงๆคลี่คลายไปถึงไหนแล้วเพราะธรรมชาติของบาปเมื่อลผลย่อมดนใจให้คิดร้ายรุ่มร้อนอยู่ไม่เป็นสุขเสมอบาปที่ถึงเวลาลผล ไม่เคยปล่อยให้ใครใจคอเยือกเย็นอยู่ด้วยกันได้เลยยิ่งรวมกันก่ อ, กอบาปยืดยาวขึ้นเท่าไหร่ยิ่งสร้างทางลำบากในอนาคตยาวขึ้นเท่านั้นเมื่อเกิดใหม่ลืมหมดแล้วว่าเคยรวมก่อบาปอะไรไว้บาปเก่าจะสร้างแรงดึงดูด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 พูดให้สติช่วยให้คิดดีได้ก็เรียกว่าดีร่วมกันสง่งเคราะห์ชีวิตอื่นก็เรียกว่าดีส่งเสริมกันรักษาศีลก็เรียกว่าดีเป็นกําลังใจให้มุหมะนะที่ตัวขึ้นสูงก็เรียกว่าดีจะเจอความรักดีๆได้ต้องมีดีบางอย่างในตัวเองเป็นทุนเป็นตัวตั้ง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 จะรู้ปรับว่าสุขเยอ้มเยิมมาแล้วและอีกเดียวทุกลอยลอยจะตามมาด้วยรือกระทั่งเห็นชัดว่าสุขเยอ้มเย้มเดียวเดียวเป็นเหตุให้เกิดทุกยืดเยื้อกระวนกระวายอยากได้สิ่งที่ไม่มีทางได้ได้อะไรมาก็จะอยากได้ต่อไปอีกเอื้อมควาจนสายตัวขาดก็ไม่เจอ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 อทอาจเป็นยุคที่มีงานแต่งเอาไว้ใส่ใจอดรูปทางเฟ e บุ๊ k มากกว่าเอาไว้หาพยานรับรู้ว่าต่อไปนี้จะมีคนสองคนใส่ใจกันการแต่งงาน ยังเหมาะกับยุคไอทีอยู่ไหมในเมื่อส่วนใหญ่แต่งแล้วก็อย่าอย่างรวดเร็วแต่งแล้วก็ระแวงร่ำไปว่าคู่ครองของตนกำลังคุยมือถือแบบไม่มีเสียงอยู่กับกิ๊กกี่คนกันแน่โซเชียลมีเดียถูกออกแบบมาให้ผู้คนคุยกันง่ายๆห่างแค่ไหนก็เหมือนใกล้ไม่เจอกันนานเพียงใด ก็รือฟื้นใหม่ได้เร็วแต่ละคนมีโปรไฟล์มีสถานะปัจจุบันให้ดูในคลิกเดียวเมื่อมนุษย์สื่อสารกันได้ง่ายแสดงสถานภาพส่วนตัวให้ใครต่อใครชมได้ทุกวันความเป็นมนุษย์ก็แบออกมาโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่โตมากับความอยากเป็นซูเปอร์สตาร์ต้องการเป็นจุดรวมความสนใจ จนเกิดความรู้สึกว่าความรักจากคนคนเดียวไม่พอของตายที่มีในมื อ, อยังไม่ใช่ที่สุดยิ่งไปกว่านั้นโจทย์ของธุรกิจยุคใหม่ยังสนับสนุนไอเดียที่ว่าถ้อย่างไรก็ได้ให้มีคนเห็นมีคนไลคมากที่สุดหลักธรรมชาติของธุรกิจที่แพร่ลามไปในโซเชียลมีเดีย แลามให้เกิดค่านิยมแบบเดียวกันในหมู่คนรุ่นใหม่ทุกคนต้องการมีหน้าตาตัวเองเป็นแบรนด์เป็นแม่เหล็กดึงดูดความนิยมชมชื่นกันไปหมดและจักฐานความรู้สึกที่คนยุคเราถูกบีบให้ต้องเรียกร้องความสนใจจากคนจำนวนมากนี้ก็กลายเป็นสะสมอาการเสพติดความสนใจจากหลายๆคน ซึ่งชีวิตแบบนั้นซูปเปอร์สตาร์รู้ดีว่าแง่ดีแง่เสียเป็นอย่างไรวันไหนคนให้ความสนใจมากเกินไปก็รำคาญวันไหนคนไม่สนใจเลยก็เสียหน้าต้องสร้างวงจรเรียกความสนใจตามเช็คเรตติ้งกันใหม่แล้วที่สำคัญซูปเปอร์สตาร์ที่บริหารความรู้สึกตัวเองไม่เป็น แม้ประสบความสำเร็จในการครองใจหมู่ชนคนไกลตัวทั่วประเทศก็มักล้มเหลวกับการครองใจคนใกล้ตัวเพียงคนเดียวถ้าโซเชียลมีเดียทำให้คนยุคไอทีพยายามเรียนแบบซูเปอร์สตาร์หรือกระทั่งพยายามกลายเป็นซูเปอร์สตาร์จริงๆก็ไม่น่าแปลกใจว่าผู้คนยุคเรา คงต้องเจอกับประสบการณ์น้องๆซุปเปอร์สตาร์ซึ่งรวมลงเป็นความรู้สึกเดียวประมาณขาดขาดเกินเกินตลอดทุกคนต้องการความรักความอบอุ่นที่มั่นคงแต่ความรักก็เหมือนสิ่งมีชีวิตที่ต้องการอาหารและอาหารที่หล่อเลี้ยงชีวิตของความรักก็คือการเอาใจใส่ แต่ใครจะเอาใจใส่คนใกล้ชิดเพียงคนเดียวได้จริงเล่าถ้าต้องหมัวงวนอยู่กับการเช็คเรตติ้งจะคนแปลกหน้านับไม่ถ้วนวันไหนที่คุณเอกใจคิดก็จะรู้สึกว่าเป็นเรื่องตลกที่คนยุคไอทีพยายามคว้าลมแรงมา ก, กอดให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยผิวเผินชอบจำนวนมากกว่าคุณภาพแล้วละเลย หรือกระทั่งเลิกให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่จริงจังมั่นคงถ้าวันนี้สิ่งที่คุณกำลังทำแปลงอยู่ด้วยอารมณ์อยากให้ดูดีในสายตาคนอื่นมากกว่าจะให้รู้สึกดีกับตัวเองและคนใกล้ตัวก็ต้องเร่งรู้เร่งบอกตัวเองว่าเรากำลังถูกสังคมประหลาดกลืนกิน ถูกบีบให้สร้างตัวตนที่กลวงว่างขึ้นมาแทนตัวตนที่มีแก่นสารเมื่อไหร่ที่คุณล้ำเส้นก้าวออกจากการมีความสุขกับชีวิตตรงหน้าไปหาความสุขจากชีวิตในโซเชียลมีเดียเต็มๆคุณเริ่มอยู่บนหนทางที่นำไปสู่การไม่แคร์ชีวิตคู่อาจไม่แคร์ แม้กระทั่งชีวิตตัวเองแค่แต่ภาพของใครก็ไม่รู้ไม่แน่ว่าใช่ตัวเองจริงๆหรือเปล่าด้วยซ้ำไม่มีนักประดิษฐ์คนใดทำผิดความอยากของมนุษย์ผลักดันให้ต้องสร้างเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมาทุกวันอย่างเช่น a ฟ e b o o k ลงเงินไปสองพันล้านเหรียญกับโอค l u ั ซึ่งเป็นผู้นำเทคโนโลยี Virtual Reality ให้ใช้ได้จริงนั่นคือแนวโน้มที่ชัดเจนว่าต่อไปโซเชียลมีเดียต้องเกี่ยวข้องกับการจับต้องตัวได้จากระยะไกลการปลอมหน้าพระเอกนางเอกมาทำความรู้จักกันคงยากจะคาดเดาว่าภาวะความฟุ้งซ่านทางเพศจ ะ, ตะเติดไปขนาดไหน ระยะของการครบหากันถือเป็นช่วงเวลาของการดูใจตลอดจนฝึกหัดที่จะเอาใจใส่ตัวตนของคนตรงหน้ามากกว่าเอาใจใส่ตัวตนของคนไกลหากบอกว่าไม่พร้อมจะฝึกไม่พร้อมจะเป็นคนธรรมดาที่มีใครคนเดียวสำคัญก็อาจหมายความว่าสําหรับคุณอยู่ในยุคที่ไม่ควรมีคู่แต่งงาน ให้ต้องรู้สึกเสียเวลาทีหลังหรือไม่ควรกรองคู่เพื่อให้เด็กเกิดใหม่ต้องเดือดร้อนกำแพงขวางคนที่อยู่ด้วยกันไม่ให้เข้าถึงกัน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 แต่มีสิทธิ์เสียอะไรดีๆไปจริงๆได้ทุกเมื่อความเป็นคู่เวรไม่ได้เริ่มจากคนสองคนแต่ตั้งต้นจากโทสะตัวเดียว คือคนที่อยู่ด้วยเรามีแก่ใจอยากพูดอะไรดีๆทำอะไรดีๆต่อกันจนเอาชนะความคิดเล็กคิดน้อยแบบมนุษย์รู้สึกดีและคิดดีต่อกันจริงๆได้คู่เวรคือคนที่คุณอยู่ด้วยแล้วสกัดกั้นสัญชาตญาณดิบไม่ได้เอาแต่ทําตามใจตามอารมณ์เป็นฟืนเป็นไฟง่ายระหองระแหงง่าย อะไรนิดอะไรหน่อยเป็นเรื่องได้หมดจึงรู้สึกแย่เจอหน้ากันมีแต่ความคิดร้ายๆเต็มหัวถามว่าทำไมถึงยังต้องทนอยู่ด้วยกันก็มีสารพัดเหตุผลที่น่าจนใจจริงๆโทสะละทิฐิมานะอันเป็นฐานที่มั่นของภาวะคู่เวร ไม่อาจสลายตัวได้ด้วยคำขอร้องไม่เคยฟังเหตุผลเป็นคำคำและไม่ได้ต้องการการยอมอ่อนข้อให้สิ่งเดียวที่ช่วยให้โทสะเย็นลงได้และละลายิติมานะได้มีแต่จิตที่ตั้งมั่นกับความเย็นแล้วหมดความแข็งกระด้างแล้วเพื่อจะมีกำลังใจตั้งมั่นอยู่กับความเย็น และละลายความแข็งกระด้างในตนก่อนอื่นค ba ุณต้องเชื่อเรื่องสร้างคู่บุญให้เกิดไม่ใช่เอาแต่หวังหาคู่บุญให้พบการสร้างคู่บุญไม่ได้เริ่มจากการขอร้องใครให้เห็นดีเห็นงามตามคุณไม่ใช่เอาชนะใจกันด้วยคําพูด ไม่ใช่แกล้งยอมอ่อนข้อให้แต่เกิดจากการอาศัยใครบางคนเป็นแบบฝึกหัดขัดเกลารโทรสะของตัวเองลดโทสะในเขาในเราและป้องกันโทสะในเราในเขาแม้ความคิดจะยังไม่ดียังมีอคติแต่ถ้าค่อยๆลดโทสะและป้องกันโทสะในยามที่อยู่กับเขาทีละวันทีละคืน คุณจะรู้สึกถึงบุญที่เกิดขึ้นในตนเองนานไปจะรู้สึกถึงสุขที่เกิดขึ้นในตัวเขานั่นแหละภาวะคู่บุญเริ่มเกิดแล้วโดยยังไม่ทันต้องชวนไปทำบุญกันที่วัดด้วยซ้า กับคนทั้งโลกได้ทำไมต้องร้ายกับคนรักคนเดียวด้วยอารมณ์คนเราเป็นเรื่องแปลกแต่จริงอยู่กับเพื่อนที่มีเหตุผลคุณจะอยากมีเหตุผลตามแต่อยู่กับคนรักที่มีเหตุผลคุณอาจถูกประตุ้นให้เจ้าอารมณ์แทน ผู้หญิงบางคนหงุดหงิดง่ายอยากได้อะไรต้องได้แต่พอไปรักผู้ชายเจ้าอารมณ์ตัวพอ่อก็กลายเป็นจ๋อยมีน้ำอดน้ำทนมากขึ้นมีเหตุมีผลมากขึ้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นกล้ามกลืนบ้างเต็มใจบ้างเหมือนท่าต้องทนนายหรืออีกทีก็เหมือนพี่ต้องดูแลน้องน้อยเหมือนแม่ต้องประครบประงมลูกอ่อน แต่พอได้เริกเปลี่ยนแฟนเจอคนที่เป็นผู้ใหญ่ใจเย็นพูดจาดีควบคุมอารมณ์ได้ทุกสถานการณ์ก็ะจะอยากปลดปล่อยอยากกลับไปเป็นนางเสือร้ายอยากทำตัวเป็นเด็กอยากแง่งอนอยากให้เขาเอาอกเอาใจตัวเองอีกผู้ชายบางคนดีตามมาตรฐานรู้จักรับผิดชอบมีเหตุมีผล มีสามัญสำนึกเข้าที่เข้าทางแต่พอได้อยู่กับผู้หญิงที่สติดีกว่าคิดอ่านเป็นระบบกว่าที่สำคัญคือเยือกเย็นคงเส้นคงวากว่าก็อาจเกิดความรู้สึกว่าด้อยกว่าพอนานเข้าสามัญสำนึกเลยเสียศูนย์กลายเป็นหงุดหงิดง่ายกับเรื่องไม่เป็นเรื่องคิดแลกคิดน้อยหยุมหยิมเหมือนผู้หญิงเสเอง แต่เมื่อไรได้แฟนใหม่เจอคนที่วีนเก่งสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวก็กลับเป็นคนลุ่มลึกพูดสิ่งที่ควรพูดทําสิ่งที่ควรทําสมควรแก่สถานการณ์ได้ไปแทนทำไมต้องเป็นอย่างนี้ด้วยมนุษย์ทุกคนมีทั้งความเย็นดีด้วยเหตุผลและทั้งความร้อนร้ายด้วยอารมณ์ส่วนจะถูกกระตุ้นเอาด้านใดออกมา บางที่เห็นเห็นอยู่แต่ไม่ค่อยกล้าคิดกันเช่นเมื่อจับคู่กับคนที่มีเหตุผลกว่าความอยากร้ายอาจถูกกระตุ้นขึ้นมาแต่หากจับคู่กับคนที่เลหลวไหลไร้เหตุผลความอยากดีกลับเกิดขึ้นแทนคู่ที่อยากร้ายไปด้วยกันตกกระไดพลอยโจรตามกันไม่มีใครเป็นฝ่ายอยากดี ไม่มีใครอยากช่วยใครใครล้มก็ปล่อยให้ลุกขึ้นเองลุกเสร็จอาจมันไส้อยากผลักอีกฝ่ายล้มบ้างไม่มีเรื่องเสียหน้าก็แกล้งฉีกหน้าซะ ง, งั้นในที่สุดจึงต้องกลายเป็นคู่เวรกันไปเลยเพราะฝ่ายที่น่าจะมีเหตุผลทนไม่ไหวหรือไม่อยากทน ส่วนคู่ที่มีฝ่ายเกิดสติรู้ตัวว่าฉันได้บทอยากร้ายแล้วไม่ร้ายตามสัญชตาตญาณดิบแต่ค่อยๆปรับอารมณ์ทีละครั้งทีละหนก็จะได้กลายเป็นคู่บุญกันจริงๆเพราะทั้งสองฝ่ายได้ดีตามกันส่งเสริมกันฝ่าดา่านยากของชีวิตไปเรื่อยๆรู้จักรสอันเป็นความสุขความโล่งอก จากการดึงกันพ้นจากหลายห้วยหลายเหวไม่มีฝ่ายใดปล่อยให้อีกฝ่ายปีนป่ายอยู่คนเดียวไม่ได้อย่างใจเรามีเรื่อง ยิ่งเรื่องมีมากขึ้นเท่าใดยิ่งย่ออายุคู่ลงเท่านั้นชีวิตคู่ที่ยั่งยืนไม่ใช่ชีวิตที่จ้องเอาผิดเอาถูกแต่เป็นชีวิตที่จ้องเอาความสบายใจไม่ถือสาเรื่องไม่เป็นเรื่องไม่ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ ช่วยกันทําเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กอภัยได้ก็อภัยเรื่องที่แล้วก็แล้วกันไปพูดง่ายๆชีวิตคู่ที่ยั่งยืนอาจเป็นชีวิตที่มีคนผิดสองคนมาใช้ชีวิตอย่างถูกต้องอยู่ด้วยกันคนที่จ้องเอาผิดเอาถูกหนักๆมักเป็นพวกชอบคิดเองเอ่ยเองว่าอะไรผิดอะไรถูก หรือถึงขั้นบัญญัติขึ้นมาเองว่าอะไรบุญอะไรบาปไม่สนใจใครจะว่ายังไงรู้แต่ว่าถ้าตัวเชื่ออย่างนี้ความเชื่ออย่างนี้แหละถูกความเชื่ออย่างนี้แหละคือหลักฐานไม่ต้องไปอ่านไม่ต้องไปฟังใครที่ไหนอีกถ้ายังมีบทบาทในสังคมทางใดทางหนึ่งมีผู้สนับสนุน มีผู้ให้การยอมรับก็ยิ่งเป็นฐานให้เกิดอัตตาแบบเจ้าใหญ่ในโตตัวกูถูกแน่จึงเด่นล้ำนำหน้ามาแต่ไกลคนใกล้ตัวจะโดนหนักที่สุดเมื่อมนุษย์มีความอึดอัดไม่เหลือความสบายใจทำอะไรก็ถูกตัดสินว่าผิดหมดมักเกิดอาการอยากหนีร้อนไปพึ่งเย็นไม่แปลก ถ้าจะอยากหาใครสักคนที่ช่วยให้สบายใจกว่าหรือช่วยให้รู้สึกว่าชีวิตมีค่ากว่าเคยเมื่อรักจะมีความสุขกับการเป็นใหญ่ในการตัดสินประเภทแกผิดฉันถูกในที่สุดอาจต้องเป็นทุกข์กับการสูญเสียคนผิดอันเป็นที่รักไปด้วยอัตราผิดๆของตนนั่นเอง แค่ไม่หันหน้าหนีกันก็จะรู้จักกันลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆเองแล้วชีวิตคู่ถูกออกแบบให้คู่ชีวิตรู้จักกันอย่างลึกซึ้งอยู่แล้วทั้งทางร่างกายทางอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดผ่านภาษาพูดและภาษากายในสถานการณ์ต่างๆ ละเอียดละออยิ่งกว่าความสัมพันธ์กับใครอื่นในทั้งหมดเป็นเรื่องน่าสังเกตว่าคนที่เข้ากันได้ดีจะมีสายตาเลงกันเรื่อยเพราะกระแสเป็นไปในทางเดียวกันไม่เป็นอื่นคลื่นจิตและคลื่นจากสายตาจูนติดผสารสนิทเป็นอันหนึ่งอันเดียวแล้วแตกต่างจากคนที่เข้ากันไม่ค่อยได้สายตาจะพยายามหนีกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่อีกฝ่ายกําลังแสดงความไม่พอใจหรืออยากหาเรื่องแค่ใช้ชีวิตด้วยกันเรื่อยๆมองหน้ากันตรงๆสบตากันสบายๆอย่าหันหนีก็เพียงพอแล้วที่จะรู้จักกันลึกขึ้นเรื่อยๆทุกวันหรือถึงแม้เกิดเรื่องระหองระแหงทะเลาะเบาแววงกันบ้าง ส่งสายตาขู่กันด้วยความอยากเอาชนะบ้างอยากประลองดูว่าตาใครแข็งกว่ากันบ้างแม้ไม่นับเป็นการประสานตาเพื่อจูนจิตแบบคนรักหรือเหมือนปร ะ, ะตาตั้งท่าเป็นปฏิปักษ์ก็ช่วยให้รู้สึกถึงความเป็นกันและกันมากขึ้นทีละนิดครบทุกขั่วอารมณ์ได้ ท่องไว้ให้จำได้เสมอไม่ว่าเกิดเรื่องดีหรือร้ายเล็กหรือใหญ่ธรรมดาหรือพิเศษอย่าเมินหน้าไปทางอื่นขณะเดียวกันก็อย่าจ้องหน้าแค่เพื่อจะได้เห็นว่ากำลังพิศวาสหรือโกรธเกรี้ยวคุณต้องสบกันในแบบที่จะได้รู้สึกถึงกระแสในตาของแต่ละฝ่าย อาจจะครึ่งนาทีหรือนานกว่านั้นแล้วในที่สุดทั้งสองฝ่ายจะรู้สึกว่ากำลังปรับกระแสความเป็นตัวตนเข้าหาอีกฝ่ายทีละน้อยเก็บเล็กประสมน้อยพอวันเดือนปีผ่านไปนานถึงจุดหนึ่งคุณจะรู้สึกว่าสัมผัสถึงกันได้เหมือนอ่านใจกันได้และที่สำคัญคือ รู้จักกันได้จริงๆคล้ายต่อจิ๊กซอชิ้นส่วนเล็กๆที่ตอนแรกมองไม่เห็นว่าเป็นอะไรกันแน่พอมากชิ้นเข้าก็กลายเป็นภาพใหญ่ที่ดูรู้เรื่องดูแล้วเข้าใจดูแล้วไม่เป็นอื่นไม่ต้องเป็นคนแปลกหน้าแปลกกระแสใจในบ้านเดียวกันเหมือนหลายๆคู่ หวังให้อะไรๆเหมือนเดิมไปเรื่อยๆก็ได้ชื่อว่าหวังลมๆแ้งๆตั้งแต่แรกๆแล้วก่อนแต่งผู้ชายมักตามผู้หญิงหลังแต่งผู้หญิงมักตามผู้ชายก่อนแต่งคุยเรื่องกินเรื่องเที่ยวที่ไหนดีหลังแต่ง คุยเรื่องอยู่บ้านยังไงให้รอดได้ก่อนแต่งอวัยวะเพศคือเรื่องใหญ่หน้าตื่นเต้นหลังแต่งอวัยวะเพศเป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งของความรู้สึกเฉยเฉยแค่คิดแค่หวังว่าจะให้รู้สึกเหมือนเดิมก่อนแต่งและหลังแต่ง ก็ผิดไม่รู้จะผิดอย่างไรแล้วไม่ว่าเดิมจะรักกันแค่ไหนอย่างไรก็ไม่มีทางเท่าเดิมความรู้สึกรักความรู้สึกหลงความรู้สึกหวานซึ้งตรึงใจอย่างไรก็ต้องเปลี่ยนประเด็นคือคนมักนึกกันว่าความเปลี่ยนแปลงต้องหมายถึงการเปลี่ยนขาลงไม่ค่อยมีใครนึกหรอกว่า เปลี่ยนนั้นเปลี่ยนขาขึ้นก็ได้นี่เป็นสิ่งแรกๆที่ต้องทำไว้ในใจและควรคงไว้ให้มีอยู่ในใจนั่นคือต้องนิยามให้ชัดว่าเหมือนเดิมคืออย่างไรและที่เคยเป็นแบบเดิมๆได้นั้นเพราะมีเหตุแบบไหนธรรมดาชีวิตคนเราสะสมเหตุใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงแตกต่างไปเรื่อยๆไม่มีใครรักษาของเดิมไว้ได้ชั่วชีวิตโจทย์ของเราจึงควรเป็นว่าทำอย่างไรจะสะสมเหตุใหม่ดีๆให้เกิดผลใหม่ที่ดีขึ้นคุณอาจเริ่มต้นจากการสังเกตความรู้สึกคือเมื่อใดก็ตามที่รู้สึกตรงกันว่าเริ่มเฉยๆเบื่อเบื่อหรืองั้นๆหมดอาการใจจดใจจอ่อ อยากทำอะไรบางอย่างด้วยกันเคยสนุกกับกิจกรรมบางอย่างแล้วจิดจืดไปเมื่อนั้นให้ฝึกหัดหรือสร้างความเคยชินที่จะทำเรื่องดีเรื่องสนุกใหม่ๆด้วยกันบ้างถ้านึกถึงการเที่ยวแล้วเฉยๆลองคิดถึงการเดินทางไปไกลๆ เพื่อส่งเคราะห์เด็กชาวดอยดูไหมถ้านึกถึงการเล่นเกมหน้าจอคอมแล้วเสง่เสง่ลองคิดถึงการอาบเหงื่อเล่นกีฬาด้วยกันดูไหมถ้านึกถึงการพาลูกไปเล่นแล้วเหนื่อยเหนื่อยลองคิดถึงการหากิจกรรมทำร่วมกันสามคนพ่อแม่ลูกดูไหมถ้านึกถึงการใส่บาทรพระแล้วชักไม่อิ่มใจลองคิดถึงการไปถึงวัด เพื่อช่วยกันทำอะไรสักอย่างให้วัดดีขึ้นดูไหมคุณจะพบว่าพอช่วยกันคิดสิบอย่างแม้ขัดกัน9ก้าอย่างก็จะมีหนึ่งอย่างที่เห็นพ้องต้องกันและนึกสนุกอยากทำด้วยกันขึ้นมาจริงๆเหมือนทะลุกรอบจำกัดความเคยชินเก่าๆความเจือดชืดเดิมๆไปหาการประจนภัยแสนสนุกครั้งใหม่ด้วยกัน ถ้าขืนเล็งไว้ว่าจะเอาแค่เท่าเดิมก็เท่ากับนับถอยหลังสู่ความรู้สึกเสื่อมคลายมโนภาพที่เคยเต็มไปด้วยสีสันจะค่อยๆกลายเป็นภาพขาวดำที่แค่นึกถึงอารมณ์ก็แบนราบแล้วไม่เหลืออะไรให้เป็นสุขให้สนุกสนานอีกแล้วอย่ารอกระทั่งจนแต้มถ้ายังสนุกกับสิ่งใด ใจจดใจจ่อกับอะไรด้วยกันก็เต็มที่ต่อไปแต่เมื่อใดเริ่มชื่อชาอย่าเห็นเป็นเรื่องเล็กให้ยอดอะไรเติมแต่งเข้าไปอย่างทันท่วงทีอย่าช้าอย่าคิดว่าไม่เป็นไรเพราะความช้าความคิดว่าเรื่องเล็กไม่เป็นไรนั่นแหละพอมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาก็ช่วยไม่ได้ถครก็กระบายความเบื่อกันไม่ทันเสแล้ว เดียวเมียเดียวอา จ, จไม่ใช่ธรรมชาติของชีวิตที่มีสีสันแต่เป็นทางเลือกเดียวของชีวิตที่สงบสุขหลายคนประกาศกล้าวในช่วงหนุ่มสาวว่ายุคของผัวเดียวเมียเดียวจบไปแล้วยุคหลายผัวหลายเมียมาถึงแล้วใครยังรักษาสินข้อสามถือว่าเฉยไม่ยอมรับความจริง โลกสวยไม่เข้าท่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือส่วนใหญ่คนที่ใช้ชีวิตตามความเชื่อแบบนั้นมักแก่ตัวลงสู่ความเงียบเหงาและความไม่เข้าใจว่าตัวเองผิดพลาดอย่างไรทำไมถึงรู้สึกผิดปกติอยู่เกือบตลอดเวลาตัดเรื่องความถูกความผิดทิ้งตัดเรื่องศีลธรรมออกไปเหลือแต่เรื่องของความรู้สึกทางใจ เราจะพบว่าใช้ชีวิตอย่งางไรเป็นนานๆความรู้สึกทางใจจะเกิดขึ้นตามนั้นซึ่งก็วัดได้อย่างดีว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่ถ้ามองเสี้ยแต่เนินๆว่าการใช้ชีวิตคู่คือการเปลี่ยนแปลงไปสู่ตัวตนที่ดีขึ้นชีวิตคู่ ก็คือแบบฝึกหัดที่จะเอาความเห็นแก่ตัวออกไปแล้วเอาความเห็นอกเห็นใจคนอื่นเข้ามามีสมาธิมีโฟกัสอยู่กับคนคนเดียวกระทั่งเหลือใจเดียวสงบได้กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ใช่หลายใจวกแวกกับใครบ้างก็ไม่รู้แต่ถ้าคําว่าชีวิตคู่ไม่เคยอยู่ในหัว มีแต่กลัวจะไม่ได้เปลี่ยนรสชาติอันนั้นจะนำไปสู่การไม่มีใจจริงให้ใครไม่มีสมาธิที่จะโฟกัสอยู่กับใครไม่พัฒนาความเห็นอกเห็นใจใครจิตจึงนิ่งไม่เป็นเห็นแต่ความว้าวุ่นไปกับขราวกรามที่ผิดแผกจึงยากจะมีความรู้สึกดีๆสะอาดๆให้ตัวเอง คนเราไม่มีทางรู้สึกถูกต้องจากการทำร้ายจิตใจคนอื่นไปเรื่อยๆบอกเลิกกับใครต่อใครไปเรื่อยๆเพียงเพื่อจะพบว่าเหลือตัวเองอยู่คนเดียวเป็นคนเดิมคิดแบบเดิมเห็นแก่ตัวเท่าเดิมเหมือนชีวิตผ่านไปไม่ได้พัฒนาจิตใจขึ้นเลยจิต ด, ดิบอย่างไรก็ดิบอย่างนั้นหรือหนักกว่านั้น ไม่เห็นแววสุขสว่างกว่าเคยแม้แต่น้อยสุดท้ายสิ่งที่นึกว่าเป็นสีสันเหลือแค่ความฝันที่จับต้องไม่ได้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของจิตใจไม่ได้โดยเฉพาะในยามเบื่อน่ายความรู้สึกทางเพศแล้วต้องการความสงบสุขทางใจแล้วมองไปมองมาก็เห็นแต่ใจที่ไม่จริงของตัวเองจะกว่าตาหาใคร ก็เจอแต่ความรู้สึกที่ผิวเผินผ่านมาเพื่อจะผ่านไปทั้งนั้นและเหมือนเหลือเวลาไม่พอที่จะรู้จักกับชีวิตแบบลงหลักปักฐานกับใครเสียทีด้วยครั้นจะไปบวชก็บวชไม่ลงเพราะรู้ตัวว่าเป็นพวกขี้เงาชนิดสายเกินแก้ตอนเลือกคู่ คุณอาจไม่ทราบว่าตัวเองเลือกคู่พัฒนาหรือคู่เสื่อมกันแน่ในระยะยาวแต่การเลือกที่จะรักษาชีวิตคู่สุดท้ายแม้ไม่สำเร็จแม้ล้มเหลวแม้ต้องแยกทางอย่างน้อยคุณก็ผ่านแบบฝึกหัดที่จะมีใจเดียวมีใจที่ไม่รู้สึกผิดปกติไม่มีดวงจิตที่แตกแยกเป็นเสียงเสียงไม่ต้องฟุ้งซ่านคิดถึงใครต่อใคร ในทางต่ำมั่วไปหมดเลิกกันแล้วกลายเป็นอะไรขึ้นกับว่าอยู่ด้วยกันแล้วเคยเป็นอะไรบ้าง ไม่ว่าคุณจะรู้จักคบหาหรืออยู่ร่วมกันกับใครอย่างไรก็ต้องมีความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นหลากหลายเสมอคืออาจเป็นได้ทั้งคนรักทั้งเนื้อคู่ทั้งคู่ครองทั้งพี่ทั้งน้องทั้งเพื่อนทั้งศัตรูทั้งคนเชียร์ทั้งคู่แข่งทั้งครูทั้งศิษย์ทั้งนายทั้งลูกน้องทั้งเจ้านี่ทั้งลูกนี่ทั้งพ่อทั้งแม่ อาาหนึ่งหนึ่งเข้ามาอยู่ในใจได้ด้วยพฤติกรรมซึ่งก็คือวิธีที่แต่ละฝ่ายพูดเข้าหูกันกระทาต่อกันเอาง่ายๆใครจะเป็นอะไรได้บ้างสำหรับใจคุณก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาหรือเธอทำให้คุณรู้สึกอย่างไรได้บ้างไม่ใช่พยายามอุปโลกให้เป็นอะไรขึ้นมาบ้าง แต่และความรู้สึกยากเป็นต่างหากจากกันคนคนเดียวอาจให้ความรู้สึกได้หลากหลายนักเช่นการเป็นคนรักคือทำให้อีกฝ่ายรู้สึกฝันฝันหวานหวานการเป็นเนื้อคู่คือทำให้อีกฝ่ายรู้สึกคุ้นกันมานานการเป็นคู่ครองคือทำให้อีกฝ่ายรู้สึกร่วมกันใช้ชีวิตการเป็นพี่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 คือทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเหนือกว่าจนตัวใหญ่ขึ้นการเป็นเจ้านีคือทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเหมือนต้องคอยชดใช้การเป็นลูกนีคือทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเหมือนต้องตามทวงคืนการเป็นพ่อคือทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าได้รับการคุ้มครองการเป็นแม่คือทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าได้รับการดูแล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 สิ่งในชีวิตไม่ได้ผ่านมาเพื่ออยู่กับเราแต่เพื่อให้เอาไว้ฝึกผ่านมันไปให้ได้เรื่องยากที่จะผ่านมักสอนเราให้คิดหาวิธีตั้งสติให้ดีขึ้นรับรู้ความจริงได้มากขึ้นยกเว้นแต่ว่าเราจะปฏิเสธและอยากเข้าข้างตัวเอง อยากยื้อเรื่องเท็จลวงตาที่ล่วงไปแล้วไว้ประทังสามารถสร้างภาพลวงตาขึ้นมาในหัวทำลายวิธีคิดถึงปัจจุบันด้วยเหตุผลอันหน้าเข้าหาวิธีคิดถึงแต่อดีตด้วยอารมณ์ท่าเดียวเรื่องยากจะง่ายขึ้นหากเริ่มต้นจากความจริงคืออดีตที่เคยจับต้องได้ด้วยมือเดี๋ยวนี้เหลือแต่ปัจจุบัน ที่เป็นแค่ความทรงจำอันสัมผัสได้ด้วยใจเท่านั้นการจากไปของใครบางคนที่เคยผูกพันไม่ว่าจากเป็นหรือจากตายจะกระตุ้นให้เกิดความทรงจำที่มีร่วมกับคนคนนั้นเด่นชัดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเหตุการณ์ที่ยังอยู่ในใจไม่รู้ลืม ถ้าคุณจำความรู้สึกที่เกิดกับใครได้แม่นฝังแน่นในจิตแม้ผ่านมาเป็นสิบปีก็รู้สึกเหมือนเรื่องราวเพิ่งเกิดหยกๆยกเมื่อวานนั่นเพราะนึกถึงแล้วรายละเอียดความทรงจาย้อนกลับมากระทบจิตได้แรงใกล้เคียงกับของจริงมากนั่นแตกต่างจากเรื่องราวที่กระทบใจได้แค่ผิวผิวผ่านมาแล้วผ่านไป แม้เพิ่งเกิดขึ้นไม่กี่สิบ ว, วันก็อาจรู้สึกราวกับเกิดขึ้นนานเป็นสิบปีแล้วก็ได้เพราะนึกถึงแล้วรายละเอียดแผวเลือนเต็มทีความทรงจำที่ฝังแน่นไม่รู้ลืมเป็นสิ่งที่นำมาเป็นแบบฝึกหัดในการก้าวผ่านได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อจูจ่จูมันโผล่ขึ้นมารบกวนจิตใจ ไม่ให้เป็นสุขรู้สึกว่ามีจริงเป็นจริงแค่เอื้อมแต่คว้ามาจับต้องจริงไม่ได้ประทังเกิดอาการทุรนทุรายดินน้นรนอยากหาทางให้เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงอีกวิธีง่ายๆที่จะใช้ประโยชน์จากความทรงจำชุดนั้นคือนั่งดูยืนดูเดินดู นอนดูไปเลยความจำผุดขึ้นมาในขณะที่คุณค้างอยู่ท่าไหนอิริยาบถใดก็ให้ใชายอิริยาบถนั้นดูทีเดียวว่ารายละเอียดความทรงจำเป็นอย่างไรเอาที่ปรากฏเด่นขึ้นมาก่อนเช่นน้ำเสียงสายตาสัมผัสแตะต้องกลิ่นอายบรรยากาศและที่สาคัญที่สุดความรู้สึก ณขณะนั้นๆของคุณเป็นทุกข์หรือเป็นสุขมากหรือน้อยเพียงใดยิ่งระลึกถึงรายละเอียดให้ชัดครบหบ่อยครั้งขึ้นเท่าไหร่จิตของคุณจะยิ่งเสพอารมณ์ได้ชัดขึ้นเท่านั้นและยิ่งเห็นว่านั่นเป็นแค่ความทรงจาชัดเจนขึ้นด้วยกล่าวคืออึดใจแรกคุณจะถูกหลอกให้อุปาทานไปว่า ของจริงยังอยู่หรือของจริงน่าจะกลับมาได้ต่อเมื่อเราลึกถึงรายละเอียดเกี่ยวกับรูปร่างที่เคยเห็นกับตาเสียงที่เคยได้ยินด้วยแก้วหูกลิ่นที่เคยเข้าจมูกตลอดจนความรู้สึกหลงติดอิ่มสุขเอมใจกระทั่งทราบชัดว่ารายละเอียดเหล่านั้นเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏชัดในจิตไม่ใช่ปรากฏชัดในโลกภายนอก อุปาทานจะลดระดับลงความอยากให้กลับมาอีกครั้งจะหายไปใจจะเกิดอาการเห็นสภาพจริงของความทรงจำว่าให้แจ่มชัดขนาดไหนก็ปรากฏตั้งอยู่ในจิตเพียงครู่หนึ่งเดี๋ยวก็เลือนลงไม่ต่างจากของจริงที่จากหายไปแล้วณจุดนั้น คุณจะเกิดประสบการณ์รู้สึกถึงอาการที่จิตถอนออกจากความอยากยึดอยากมั่นหมายเป็นจริงเป็นจังทั้งเรื่องที่เคยเกิดและความทรงจำที่มีอยู่เดียวนี้ฟังดูเหมือนยากแต่ทำดูง่ายแม้ครั้งแรกที่ลอง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 ความรู้สึกเหมือนถอดโขนยักลิงลวงตาออกเหลือเพียงใบหน้าแท้จริงที่ยังคงยิ้มยามให้กันอยู่อย่างนี้ก็ไม่มีเหตุผลอันใดให้ต้องอันเฟรนกันสิ่งที่ผ่านไปเป็นแค่บรรไดให้เริ่มต้นรู้สึกดีต่อกันด้วยความสัมพันธ์และระยะห่างที่ถูกต้องเท่านั้นในความเป็นพุทธ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 และมีคําอธิบายที่ชัดเจนให้ตนเองตลอดไปคนแปลกหน้ากําลังฆ่ากันตายมากขึ้นเรื่อยๆในนามของคนรักที่บังอาจนอกใจกัน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 รูปยวน้ำลายเกลื่อนกลาทุกป้ายรถเมขนาดไหนใจคนก็ผูกยึดแน่นกันได้ฝังติดคิดแค้นกันได้กับสัญญาไม่เป็นสัญญาผูกมัดไม่เป็นผูกมัดซึ่งเมื่อแค้นเข้มข้นถึงขีดสุดเมื่อไรอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ด้วยอารมณ์ชั่ววูบทั้งนั้น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 คงไม่เอาปืนมายิงตอนคุณจะชิงแน่แน่เพราะเมื่อไรใจเขาหรือเธอผูกติดหลงยึดมั่นตอนอาฆาตแค้นก็คิดร้ายตัดสินใจลงมือได้ไม่ต่างจากคนใจเหี้ยมนั่นเองศีลข้อสจึงไม่ใช่เรื่องล้าสมัยตรงข้ามกลับจะเป็นของทันสมัย และล้ำสมัยต้องนำมาเตือนสติกันมากขึ้นทั้งยุคนี้และยุคหน้านอกจากศีลข้อสามไม่ล้าสมัยคำว่าอภัยก็ไม่ได้กลายเป็นคำตลกตกยุคเช่นกันเดี๋ยวนี้พูดเรื่องความรักห ว, นหวานๆชักไม่มีใครฟังมีแต่คนอยากจะกลุ่มปรึกษากันว่าจะเอาคืนอย่างไรให้สาสม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 นกับปัญหามากมายวอกวนมาเกิดกับฉันได้ไงสิ่งที่เธอที่เห็นดูอย่ารู้ไหมว่าทำไมว่าเพราะอะไรต้นเหตุคือใครที่ไหนกันสิ่งที่เธอนั้นต้องเจอ อจคอยส่งผรอยลึกลัแต่มันคงกการส่งผเข้ากันเคยทาอะไร ให้ยิ้มและสู้อดทนมีนานเรื่องร้ายจะผ่านไปสิ่งที่เจอที่เห็นอยู่อย่ารู้ไหมว่าทำไมว่าเพราะอะไรอ้เหตุคือใครที่ไหนกันสิ่งที่เธอนั้นต้องเจอ คำของเธอแม้คิดในใจอาจคอยส่งผไร้ายอยาลึกลับแต่มันคงคือ ก, การส่งผลเข้ากันเคยทําอะไร ออด้วยว่าทำดียังมืดนมนให้มั่นใจว่าสิ่งที่เจอมีเฮตดมีผลให้ยิ้มและสู้อดทนไม่นานเรื่องร้ายจะผ่านไปหากยังทำดีโอ้โ If I w e e a good e o